พระที่บวชเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่หลวงพ่อไปบวชเมื่อวันที่สองวันที่สองธันวาวันนี้ก็เป็นวันที่หวันที่สองไปบวชทั้งหมดสาบเอรูปสาสิบเอดรูปนั้นมีสัมเาณีอยู่สีรูปมีพระทั้งหมดยีสเจ็ดนาคพระยี่สิเจ็ดแล้วก็นาคเนนอีกสี่เป็นสาสิบเอ็ด บวชที่วัดโพธิสมพรวันที่สองธันวาพอบวชเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันมาที่วัดเราทั้งหมดสิบสามนะแล้วก็ไปวัดถ้ำเตา่าแล้วก็วัดกกสะทอนแต่วัดหลงปู่มันมีมีหรือเปล่าก็จัดเป็นห้าวัดนะที่จะให้พระนวักกะหรือวันพระบวชใหม่ที่เฉลิมพระเกียรติเลือก มีวหวัดคือวัดหลวงปู่บุญมีนาคูนแล้วก็บอกวัดปู่นาลงกกสะทอนแล้วกัวัดปู่บุญมีถ้าเต่าอาจารย์บุญมีถ้าเต่าแล้วกัหลวงปู่ว่านสกลนครตะกนาคําน้อยสุดแท้แต่นากเรือว่าพระใหม่จะเลือกไปอยู่วัดไหนคือบวชคราวนี่คือบวชท่านพิพากษาหัวนาศาลจังหวัดอุดรทั้งสี่ศาลน่ะ สารจังหวัดสารเยาวชนสารแรงงานแล้วก็สารปกครองสามสี่สารสีสา ร, สสารแล้วก็พร้อมกันกับพวกอายการสภาทนายความของจังหวัดอุดรแล้วก็ส่วนราชการบวชพระเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครอง ที่พระ อ, องค์มีมีพระชนมายุแปดสิบสามพระพรรษาปีนี้นะปีหน้าแปดสิบสี่สิบสองเจ็ดแปดสิบสี่เจ็ดรอบปีนี้แปดสิบสามก็บวชเสร็จแล้วก็เนะี่ยแยกย้ายกันก็นมาอยู่ที่วัดของเรากำหนดกฎเกณฑ์ก็ประมาณสักวันที่ยี่สิบกว่ามั้งก็เป็นวันราศีขาก็สุดแท้แต่ผู้จะอยู่ได้มากน้อยนะ่ยแต่กำหนดไว้อย่างนั้นนะ เพราะนั้นวัดของเราพระชว่วงนี้ก็เลยมากทั้งหมดสี่สิบตัวรูปะแต่จะไม่มีสัมมณีนนะสนัมเณีไม่มีปิดพระทั้งหมดนะแล้วก็งานที่ภูก้อนเขาก็ศรัทธาญาติโยมก็นิมนต์หลวงพ่อเหมือนกันทีแรกหลวงพ่อก็ถ้าไม่มีอะไรนะหลวงพ่อก็คงจะขึ้นไปนั่นนะเพราะอยู่ใกล้กันแต่วันนี้ที่หลวงพ่อไม่ได้ขึ้นไปก็เพราะ ในช่วงนี้องค์หลวงตามหาบัววัดป่าบันตาดท่านป่วยท่านไม่สบายถาดขันของท่านอายุแปดสิบเก้าสิบแปดปีอายุหลวงตาปีนี้ก่อนรู้สึกว่าเจ็บใข้ได้ป่วยบ่อยหลวงพ่อก็เข้าไปวัดป่าบันตาดสองสามครั้งนะเข้าไป แล้วก็เมื่อวานวันก่อนอาการของหลวงตาดีขึ้นหลวงพ่อก็เลยไปวัดหลวงปู่จามเมื่อคืนที่แล้วเมื่อคืนก่อนพอได้เตรียมผ้าไตรสําหรับไปถวายองค์หลวงปู่จามหลวงปู่จามอายุร้อยหนึ่งปีแล้วนะที่เป็นหลวงอาหลวงพ่อปีเนี่ยปีหนะ้าสิบสามร้อยหนึ่งปีหลวงพ่อก็ให้พระ ตัดเยบสบงจีบรไปถวายท่านที่ท่านผ้าที่ท่านได้ขนาดที่ท่านเคยใช้เพราะว่าท่านอายุมากแล้วบางทีก็ได้ใช้ผ้าเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าอุจจาระปัสสาวะผู้สูงอายุมันต้องได้ใช้ใช้บ่อยบางทีมันจะลาดมันก็ลาดออกมาง่ายๆเหมือนกันดังนั้นท่านก็จะต้องได้ใช้ผ้า เพราะนั้นองค์หลวงตาหลวงพ่อก็ได้เย็บไปหลายผืนเหมือนกันไปสำรองไปใช้แต่องค์อื่นผู้อื่นอันนั้นก็เป็นของคนอื่นไปไม่ใช่ของเราไงแต่ของเราเนี่ยเตรียมไว้ไปถวายท่านแต่พระที่อยู่ใกล้ทามันเหลือเฟือมากมายยังไงกัสุดแท้แต่ท่านเจ้าเอาไปที่ไหนแต่ความแสดงความกาตัญญูหรือเป็นหน้าที่ของเรา จะต้องเอาไปถวายไม่ใช่โอ้ท่านคงมีมากแล้วล่ะคนคนนั้นก็เออท่านคงมีมากแล้วล่ะผลที่สุดก็เลยต่างคนก็ต่างโยนกันไปผลที่สุด อ, อาจจะขาดตกบกพร่องก็ได้เพราะฉะนั้นเราคิดว่าคือเราทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่เราก็เอาผ้าไปถวายท่านวงหลวงตาอย่างนั้นเอาไปถวายหลวงปู่จามแต่ก่อนหน้านี้หลวงตา ก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดทั้งมีฝ่ายคณะแพทย์คณะหมอทั้งศีรีราษทั้งศีนักครินทั้งโรงพยาบาลศูนย์อุดรเข้ามาดูแลองค์หลวงตาเป็นคณะแพทย์อแล้วก็อาการของหลวงตาก็ดีขึ้นเมื่อวันที่วันที่สี่หลวงพ่อก็ได้ทือโอกาสไปวัดหลวงปู่จาา พอกลับมาเมื่อวานวันที่ห้าพอมาหลวงตาท่านไม่ค่อยสบายเป็นอะไรเป็นไข้ขึ้นมาอีกหลุงพ่อก็เลยเข้ามากราบท่านจากนั้นก็นเข้าไปกราบองค์หลวงตาจากนั้นกันได้ไประชุมกับคณะแพทย์พอประชุมเสร็จแล้วก็จัดนัดกันประชุมวันนี้ล่ะประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง มีทั้งศิริราชทั้งศรีนครินทั้งโรงพยาบาลศูนย์อุดร น, นัดกันประมาณสักเก้าโมงสิบโมงอแต่ถ้าว่าหมอนัดมาตามนัดนะหลวงพ่อก็คงจะได้เข้าไปร่วมประชมุมร่วมฟังเพราะถือว่างานนี้เป็นงานเราจะไปทิ้งให้ใครอื่นไม่ได้เพราะงานนี้คืองานพ่อพ่อของเรา ในเมื่อพ่อเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่เจ็บไข้ได้ปว่วยเราจะไปสนุกสนานไปที่อื่นสำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อเขาว่าขาดตกบกพร่องเพราะนั้นหน้าที่ของพ่อของแม่เจ็บไข้ได้ป่วยคือหน้าที่ของลูกจะต้องช่วยกันเข้าไปเกี่ยวข้องหรือปรึกษาปารบกันจะรักษาแพทย์หมออย่างไรก็เป็นหน้าที่ของลกูลกๆพระ ส่วนที่จะท่านจะให้รักษามากนะ้อยยังไงแค่ไหนก็สุดแท้แต่แต่ความแสดงความจำ侬 น, นั้นเป็นหน้าที่ของพวกลูกๆจะต้องแสดงความจนงแต่นี้ก็ไม่ใช่ได้ทุกครั้งนะเวลาเราขอไปท่านเอ้ยไม่พ่อเราก็ถอยออกมาถอยมาเอาประชุมกันอีกก็ เ, เข้าไปบางทีก็ขอท่านอีกแต่เผื่อท่านเมตตาอนุญาตหรือเอาธรรมรักษาท่านนะก็ไม่ใช่ว่าเราจะทําโดยพระการหรือว่าทำ ตามที่เราต้องการก็ไม่ใช่เมื่อท่านอยากจะให้ทำขนาดไหนเราก็ทำได้ขนาดนั้นไม่ใช่ว่าเป็นหมอแล้วจะทำตามหน้าที่ของหมอทุกอย่างไม่ได้ขาดความเคารพเราก็ไม่ทำอย่างนั้นอีกเพราะถือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฝ่ายพระสงฆ์เนี่ยไม่เหมือนฆรัวาสญาติโยมทั่วๆไปท่ะฆราวาสญาติโยมทั่วไปก็เป็นหน้าที่ของหมอ หมอเขาจัดการยังไงถ้าหมอรักษายากหมออาจจะปฏิเสธในการรักษาแต่สำหรับครูบาอาจารย์อย่างองหลวงตาและท่านออไม่ได้สะทกสะท้านหมอจะไม่มารักษาก็ไม่ว่าอะไรเอาไปหนีให้ห่างแต่นี่พวกเราในฐานะลูกหลานออควรจะ แ, แสดงความกตัญญูกตเวทีตาในองค์ท่านเราก็ต้อง เข้าไปเพื่อจะช่วยกันจะรักษาองค์หลวงตาอย่างไรเนี่ยนะวันนี้จะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งกับคณะแพทย์เพราะนั้นหลวงพ่อจึงไม่ได้ไปฉันที่วัดป่าภูก้อนเพราะคอยฟังการรับหรือว่าการนัดประชุมที่วัดป่าบ้านตาลจะเป็นเวลาเท่าไหร่บางทีก็โดยมากก็มัดกันประมาณบ่ายโมงอย่างนี้นบางทีก็นัดกันก็สิบสิบเอดมงเช้ย นั่นลุงพ่อจะต้องได้เข้าไปคือ ก, การประชุมดูแลองค์ลุงตานะแล้วก็วันนี้เป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่เดือนสองสิบสองดับวันนี้เป็นวันเดือนเดือนสิบสองดับแปลว่าถ้าจะว่าไปก็เป็นวันสิ้นปีแล้วนะวันนี้นะทางจันทรคติ ดับแล้วงานแต่จากนั้นก็เป็นวันวันขึ้นค่ำหนึ่งเป็นวันเพนเป็นวันขึ้นค่ำหนึ่งเดือนหนึ่งอะันอันนี้ว่าเป็นวันเดือนส2บสองดับทางจันทรคติอ่าเป็นวันพระใหญ่เป็นวันพระสิ้นเดือนสิ้นปีไม่ใช่สิ้นเดือนเป็นวันสิ้นปีของพอปีพุทธศักราช2 5งพั้ายห้าบสามทั้งจันทรคตินะไม่ใช่สุริยคติ สุริยคติก็คือวันที่หนึ่งมกราห้าสี่ฮะอันนั้นคือเป็นวันขึ้นปีใหม่แต่ถ้าจันทรคติแล้วก็นี่แหละ ว, วันนี้เป็นวันสิ้นปีแล้ววันนี้วันคืนเดือนปีก็ผ่านไปผ่านไปไม่รู้ว่าจันทรคติไม่ว่าสุริยคติขอให้พวกเราทุกๆกท่านให้สำนึก นึกคิดไว้อยู่เสมอว่ามาถึงจุดนี้อายุของเราเท่าไหร่ให้นึกย้อนถามตนเองหลวงพ่อเนี่ยถามตนเองอยู่ตลอดนะถึงจะไปอยู่ที่นู่นอไปอยู่ที่ไหนจากเมื่อวานวันก่อนวันวานหลวงพ่อคิดเป็นห่วงวัดเหมือนกันเออวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติ เป็นวันกำหนดขึ้นมาว่าวันนี้เป็นวันพ่อเลยครับผู้ที่อยู่ที่ไหนก็มาเคารพเนี่ยพ่อของตนเองหรือพ่อทางธรรมพ่อทางโลกก็คือปิดามารดาพ่อ ท, งทางธรรมก็คือครูบาอาจารย์อันะ น, ะนี้หลวงพ่อเนี่ย น, นะไปกราบพ่อเหมือนกันกราบหลวงองค์หลวงตาแล้วก็ไปกราบหลวงปู่จามเ๋ยวถือว่าเป็นพ่อเนะี่ แต่ลุงพ่อเองก็ขาดวัดเหมือนกันลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานก็คงจะมาหาลุงพ่อเหมือนกันทุกปีที่ผ่านมาเคยเป็นอย่างนั้นลงพ่อก็ขาดจากวัดไปพ่อนี้จากวัดไปเหง น, นั้นแต่ถึงอย่างไงอย่างไงก็ในใจก็คิดเป็นห่วงลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมก็ขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขทุกทุ ก, ท, กท่านนะ แล้วก็วันนี้ก็ได้มาน่มันผ่านไปวันหนึ่งเมื่อวานกับวั น, น, ว, นวันพ่อเพราะนั้นวันคืนเดือนปีผ่านไปขอให้พวกเราทุกๆท่านอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้เพราะาการสั่งสมคุณงามความดีเนี่ยดีเนี่ยเราไม่ได้เลือกว่าวันนั้นเดือนนี้เป็นวันดีหรือว่าเป็นวันควรจะสังสมไม่ใช่ เราก็ควรจะเก็บเล็กผสมน้อยไปเป็นวันวันวันวันวันยังไม่ใช่เป็นวันอ่ะเป็นชั่วโมงเป็นนาทีเป็นวินาทีไปเลยว่างั้นอ่ะสรุปแล้วก็คือให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสิ่งไหนพอที่จะทําคุณงามความดีได้ก็ทําไปเรื่อยๆพอที่จะรักษาศีลใหทานภาวนาเราก็ทำเพราะนั้นขอให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสรุปแล้ว คำ ว, ว่าประมาทคำนี้นะคือคือความไม่สนใจความไม่ใส่ใจความที่ว่าไม่คิดว่าชีวิตของเราจะยืนยาวจักเท่าไหร่ไม่ได้คิดวางแผนไม่ได้คิดล่วงหน้าไม่ได้คิดทบทวนอันนี้แปลว่าพูดผู้ตั้งอยู่ในความประมาทอยู่เป็นวันวันกินเป็นวันวันไม่ได้คิดในอ่านอะไรเลยอันนี้แปลว่ า, วาอยู่ในความประมาท แต่ถ้าว่าพวกเราได้คิดไปอยู่เสมอว่าอืชีวิตของเราเนี่ยอย่างลุงพ่อเนี่ยอายุหกสิบหกจะเข้าหกสิบเจ็ดปีแล้วนะจะอยู่นานชักเท่าไหร่และสิ่งไหนที่ขาดตกบกพร่องที่เราจะต้องทําจะต้องทําให้ดีจะต้องทําให้บริบูรณ์ทางด้านจิตใจเป็นยังไงทางด้านภายนอกเป็นยังไงประโยชน์ตนเป็นยังไรปรปงไรประโยชน์ท่านผู้อื่นเป็นอย่างไร อันนี้ก็คือตั้งอยู่ในความไม่ประมาททั้งสองสองสถานะคือตัวเองก็พยายามทําให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ฝ่ายข้างนอกเนี่ยก็พยายามมองดูจะให้ขาดตกบกพร่องในฐานะที่เราเป็นอะไรเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ทําหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุดในเมื่อเราเป็นลูกเราก็ต้องทําหน้าที่ลูกให้ดีที่สุด เนื่องเมื่อเราเป็นครูบาอาจารย์หรือทำหน้าที่สถานะไหนก็ทำหน้าที่สถานะนั้นให้ดีที่สุดดีที่สุดนั่นคืออะไรอันนี้ก็ต้องไม่มีใครที่จะรู้กับยิ่งกว่าตัวเองคิดดีทำดีพูดดีนั้นดีที่สุดถ้าว่าคิดไปในทางที่ดีทำไปในทางที่ดีพูดไปในทางที่ดีอันนั้นแปลว่าไม่ที่สุดเพมืะนก้น มันไปทางเร็วอาจจะเร็วที่สุดก็ได้ถ้าเราไม่ใส่ใจถ้าว่าเราใส่ใจก็จะต้องดีที่สุดอย่างที่หลวงพ่อได้บอกได้กล่าวเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะเรื่องภาวนานี่แหละเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูบาอาจารย์พระสงฆ์ถ้าผู้ไม่ได้ปฏิบัติท่านก็ไม่ได้ค่อยได้สนคอยไ ม, ไม่ค่อยได้สอนกันสอนถึง สร้างคุณงามความดีสอนแต่เรื่องรักษาศีลเรื่องภาวนาเนี่ยไม่ไมค่อยได้สอนแต่หัวใจของพุทธศาสนาแล้วเรื่องภาวนาเป็นสิ่งที่จาเป็นสำคัญอย่างยิ่งอย่างมากเพราะว่าภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องสอนทางด้านจิตใจสอนทางด้านความคิดคิดยังไงมันจึงจะถูกต้องแปลว่าถูกจดคือสอนหัวหน้าคือสอนใจ คือสมาธิคือสอนหัวหน้าท้าหัวหน้าดีแล้วสั่งกายไปทำอะไรก็ไม่ไปในทางที่ดีจะไปพูดอะไรก็พูดไปในทางที่ถูกต้องเพราะหัวหน้าดีแต่ถ้าหัวหน้าไม่ได้รับการอบรมหัวหน้าเกเรหัวหน้าขาดศีลธรรมไม่มีจริยธรรมที่ดีการจะกระทำอะไรออกไปก็เกเรเ ก, กละละลานไปหมด การพูดอะไรออกไปของเกกะระลานไปหมดเช่นเดียวกันเพราะนั้นเรื่องสมาธิเนี่เป็นเรื่องอบรมทางด้านจิตใจจะทํำยังไงใจของเราจึงจะเป็นหนึ่งใจของเราจะนิ่งใจของเราจะสงบใจของเราจะไม่ปุ่งฟุ้งซ่านนี่แหละหลักของพุทธศาสนาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักจุดนี้พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาป่ารงพงไพ ที่ออกไปทรงผนวดอยู่ในป่าไปค้นคว้าศึกษาจุกหกปีก็เป็นไปค้นคว้าศึกษาเรื่องของใจนามธรรมเนี่ยคือตัวรู้ๆอย่าง ต, ตัวนี้เป็นตัวที่จับได้ยากมองหาได้ยากค้นได้ยากแต่ว่าถ้าว่าเราจับได้หรือว่าเรา กำหนดได้หรือเรารู้จักที่ไปที่มาเรามีสติสัมปชัญญะในจิตใจของเราแล้วนั่นแหละทีนี้จะมองเห็นได้เพราะนั้นพระพุทธองค์ท่านมองท่านตรัสไว้ว่าสมาธิเท่านั้นที่จะทำกาหนดจิตใจของคนเราให้อยู่ในความสงบหรือเป็นหนึ่งได้ไม่มีอย่างอื่น สติคือความระลึกได้สัมปชัชญะคือความรู้ตัวสติสัมปชัญญะคือให้มีสติลําลึกไว้กําหนดใจของเราเดี๋ยวนี้นึกคิดเรื่องอะไรมันปูงฟุ้งไปทางไหนนี่แหละในเมื่อเราจะกําหนดจะให้ใจอยู่กับตัวเองพระพุทธองค์ก็บอกว่าให้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละ พระพุทธเจ้าท่านจะจับใจของพระองค์ได้เป็นครั้งแรกนะท่านกำหนดลมน ะ, ะกาหนดลมหายใจเข้าให้มีสติในหายใจเข้าให้มีสติในลมหายใจออกอนั่งคัดสมาธิเสร็จแล้วนะหรือเราไม่นั่งก็เถอะนะเราจะเดินขาขวาพุทธขาซ้ายโทรหรือว่าเราจะกำหนดให้มีสติในการก้าวเดินขวาซ้าย ขวาซ้ายขวาซ้ายมีสติแต่ไม่ต้องพูดนะให้มีสติในการก้าวเดินแต่ทางที่ดีก็ควรจะบริกรรมด้วยนะั่นแหะเหมาะสำทับบริกรรมเลยขวาพุทธซ้ายโทพุทโทพุทโทกําหนดลมหายใจเข้าออกก็เหมือนกันกําหนดธรรมดาหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออกอันนี้ก็เพียงพอแต่ว่าถ้าว่าจะให้ดีขึ้นไปกว่านั้น เพื่อมาให้มันหลุดออกได้ง่ายๆหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทใช้คำบริกรรมด้วยพุทธโทรบริกรรมก็คือเนี่ยแหละกำหนดให้ใจของเราพุทเหมือนันเถอะหายใจของเรานึกคิดพดุทธหายใจเข้าพุทธให้ใจนึกคิดเดนี่ยแหละเข้ามาบริกรรมโทนะั่นคือคือหายใจออกคือให้วาโทให้ใจของเราว่าโทแต่อย่าไปให้ออกปากนะให้อยู่ในใจหายใจเข้าก็นึกพุทธ นึ ก, กว่งางันพุทธหาจะออกนึกโทนี่แหละอันนี้แหละคือวิธีการกําหนดที่จะทําจิตใจให้สงบในเมื่อใจของเราอยู่กับกรรมฐานนี่แหละแต่อันดับแรกมันจะลอยๆนะมันจะเบอะเบอะผอผอมันจะหลุดบ่อยที่สุดแต่ถึงยังไงให้ตั้งใจให้เข้มแข็งแต่อย่าไปเกรงอย่าไปกลึงอย่าไป เพ่งอะไรมากแต่ว่าพี่เรากาหนดให้เข้มแข็งพยายามตั้งสติให้เข้มแข็งพอติตั้งสติมันหลุดออกไปตั้งขึ้นหมาอีกให้เข้มแข็งให้ดูให้ชัดเจนกาหนดลมหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทพุทโทพุทโทนั่งนานเท่าไหร่ถ้าเป็นไปได้ใหม่ๆอยากจะให้ตั้งนาฬิกาไวก็ได้นะ สักยี่สบสาสิบนาทีหรือสิบนาทีได้ไหมไม่หมายสักสิบนาทีถ้าหาว่าใจของเราขนาดเพียงห้านาทียังจับไม่อยู่หลุกหลิกลุนโลเลไปเรื่อยไม่น่าไว้ใจนะถ้าคนขาดสติมากๆเพ อ, เพอๆเป็นบ้าได้ง่ายๆเหมือนกันนะเพราะไรเพราะขาดสติถ้าคนมีสติอยู่กับตัวเองจะไม่เป็นบ้ารับประกันร้อยทั้งร้อยพันทั้งพัน ถ้าหาว่ามีมหาสติมหาปัญญาไม่เผลอเลยนั่นแหละคือพระอรหันต์ถ้ามันยังขาดบ่อยๆนั่นละบบาเริ่มใจของเราเราเราเริ่มจะออกไปนอกลูก่นอกทางแล้วจะเสียศูนย์หล ะ, ะพวกเราคิดดูดีๆก็แล้วกันนะคนที่มีความทุกข์มากๆมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกระทบกระแทกเราแรงๆนอนไม่หลับเข้าไปคิดปดปงฟุง้งตาแดงนั่นแหละ สอไปในทางประสาทจะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเพราะเห้แลพราะขาดสติเพราะนั้นเรื่องขาดสติไม่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นที่พึงปรารถนาของบัณฑิตนักปรารในหลักของพระพุทธศาสนาหลักของพุทธศาสนาท่านว่าให้มีสติสัมปชัญญะให้ดูใจของตนเองให้เข้มแข็งดูกําหนดดูจะให้มันหลุดออกไปอยากจะให้ภาวนาอยากจะให้มันอยู่ตรงไหนให้มันอยู่ตรงนั้นบริกรรมพจน โทพุทธโทนี่แหละถ้าเราทำอย่างนี้ได้ทำอย่างนี้หลายๆครั้งหลายๆหนผัวนที่สุดตะก่อนมันก็เคยคิดปรุงฟุ้งไปทางอื่นแต่พอมาเรามีความใส่ใจเรามีความตั้งมั่นเรามีความพยาพยามพยามที่จะทำจิตใจให้สงบอีกสักวันหนึ่งมันก็สั่นเข่าสั่นเขาสจากนั้นสติของเราก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ จากนั้นก็จับสติอยู่สติจับจิตอยู่แล้วเทไงใจนึกคิดเรื่องอะไรมันจะรู้ทันเทไงนี่แหละจากนั้นก็บวริกรรมพุทโธพุทโธจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจสงบเป็นหนึ่งนั่นแหละเทไงมีความสุขลึกๆในใจเมื่อสติอยู่กับตัวเองแล้วเวลาเภาวนาใจของเราเข้าสู่ความสงบได้แล้วเราคิดเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องเป็นเราเราจะให้คิดเรื่องอะไร เราจะให้หยุดก็หยุดได้เราจะให้คิดก็คิดได้เท่านี้นี่แหละจากนั้นใจของเราได้ฝึกจิตใจที่มีกําลังเข้มแข็งแล้วมันจะไม่ว้าหวัยอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าสืมเท่เนี้พวกเราได้ฝึกจิติของเราดีแล้วเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะคานาสตาญาติโยมทุกทุ ก, ท, กท่านนะที่หลวงพ่อได้พูดเนี่ยหลักของพุทธศาสนาท่านไม่ได้ให้ทําเพียงแต่ให้ทานรักษาศีลธรรมดานะ เรื่องภาวนาเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยแหละเรื่องภาวนาทําจิตใจให้สงบเอันเรื่องทานเรื่องศีนลนะค่ายๆจะเปรียบเทียบกับเป็นเปลือกเป็นกระพีท่านเองแต่หลักของภาวนาน่ยคือหัวใจลึกเป็นแก่นเป็นแก่นของต้นไม้อย่างไม้สักเนี่ยเราต้องการอะไรเราไม่ต้องการใบไม่ต้องการดอกผลเราต้องการแก่น อันนี้คือเราต้องการจุดของจุดเราจุดประสงค์ของต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยคือแก่ไม้สักไม้พยุงไม้ตะเคียนทองไม้ประดู่อันนี้ก็เหมือนกันร่างการปฏิบัติของเราเนี่ยเราต้องการจิตใจให้สงบเพื่อให้ดูใจของเราแต่ใจของเราสงบจิตใจของเราเป็นผึกแผ่นจิตใจของเรามั่นคง ไม่จิตใจไม่วันไหวไกวแกลงถึงมลสมโล ก, กธระทำแปดจะมากับกระพือพัดสัจศาส์อย่างไรใจของเราก็ไม่หวันไหวละใจของเรารู้จักยดึดแล้ก็รู้จักปล่อยวางทั้งยึดด้วยนะยดึยดอะไรยึดอะไรยึดคุณงามความดียดึดศีลธรรมเยึดเออโลกอันนี้มันต้องเป็นอย่างนี้แต่ขนาดร่างกายของเรา เราก็จะทิ้งมันอยู่แล้วอีกสักวันหนึ่งและสิ่งภายนอกเราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรเนี่ยมันยึดนะยึดทำอย่างนั้นนะยึดทำในใจร่างกายของเราเราจะต้องทิ้งนะใจนะใจนะใจสอนใจอ่างั้นได้ใจบอกใจใจสอนใจใจแนะนำใจตัวผู้รู้แนะนำตัวผู้รู้นะรู้ให้รู้ตัวเองนะใจนะร่างกายในอีกสักวันหนึ่ง ไ ม, ไม่ว่าวันไหนละ่ะมันจะต้องทิ้งนะใจนะอย่าไปเสียใจนะนี่แหละหลวงตาท่านมหาบัวนี่ะที่ท่านพูดท่านไม่ได้วันไหวว่า ง, งั้นแต่อายุของเราเท่าไหร่ปีเนี่เราจะไปอยู่ไปเท่าไหร่มันพอแล้วนะทุกอย่างมันพอแล้วจะเอาไปขนาดไหนอีกละ่ะมันพอแล้วจะไปโรงพยาบาลไปรักษาไปทำไมมันพอแล้วแต่รักษาไปกระเท่านั้นแหละ <N> นี่แหละสรุปแล้วก็คือท่านมีธรรมแล้วก็พูดอีกว่าตั้งแต่เราบวชมาเราไม่เคยทําความชัวม่วนะตั้งแต่เราบวชมาเราไม่เคยทําความชั่วนะเมื่อวา น, นท่านพูดเอเรามองไม่เห็นเลยว่าที่เราทํากับความชั่วนั่นคืออย่างไรเราไม่เคยเราไม่เคยมองไม่เคยเห็นเราทําแต่กุนงามความดีเท่านั้นนั่นแหละคือใจของท่าน ท่านมองดูแล้วใจของท่านมองในอดีตจิตใจของท่านก็บริสุทธิ์้ัก็ยศในปัจจุบันท่านก็ทําคุณงามความดีท่านก็ไม่วิตกกังวลอีกต่างหากว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเพราะอดีตที่ผ่านมาก็ดีอยู่แล้วอนาคตปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้ก็ทําดีอยู่แล้วอนาคตมันจะเป็นยังไงมันก็ต้องดีเนี่ยสาหรับองค์ขอวงท่านเองท่านบอกว่าเราไม่มาเกิดอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้ว ท่านยืนยันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะเป็นสิทธิ์ขององค์หลวงตาก็ขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัตินะเรื่องกิจตภาวนาเนี่ยใครจะอยู่ที่ไหนอยู่ในบ้านในเรือนก่อนหลับก่อนนอนก็ควรจะนั่งภาวนาสักหานาทีสิบนาทียี่สิบนาทีหลวงพ่อว่าจะเป็นประโยชน์อพวกเราท่านทั้งหลายนะเอารับพอนะลับพร อ, นะพอนะมุตนาให้พร